คือโกรธไม่พอใจไม่ชอบใจแค้นใจเจ็บใจคําว่าไม่แช่มชื่นคือไม่แช่มชื่นเพราะความโกรดนั้นเพราะมีโทสะนั้นเพราะไม่พอใจนั้นและเพราะไม่ชอบใจนั้นคําว่าแห่งอธิกรเรื่องอื่นคือเป็นอบัตส่วนอื่นหรือเป็นอธิกรส่วนอื่นอธิกรที่ชื่อว่าเป็นเรื่องอื่นจากอธิกร อธิกรณ์ชื่อว่าเป็นเรื่องอื่นจากอธิกรณ์อย่างไร1วิวาธาธิกรณ์เป็นเรื่องอื่นจากอนุวาธาธิกรณ์อาปัตตาธิกรณ์และกิจจาธิกรณ์องอนุวาธาธิกรณ์เป็นเรื่องอื่นจากอาปัตตาธิกรณ์กิจจาธิกรณ์และวิวาธาธิกรณ์อาปัตตาธิกรณ์เป็นเรื่องอื่นจากกิจจาธิกรณ์วิวาธาธิกรณ์และอนุวาธาธิกรณ์ 4. กิจจาธิกรเป็นเรื <mor> mm ่องอื่นจากวิวาทาธิกรอนุวาธาธิกรและอาปัตตาทิกรอธิกรชื่อว่าเป็นเรื่องอื่นจากอธิกรอย่างนี้อธิกรชื่อว่าเป็นเรื่องเดียวกับอธิกรอธิกรชื่อว่าเป็นเรื่องเดียวกับอธิกรอย่างไร 1. ่วิวาธาธิกรเป็นเรื่องเดียวกับวิวาทาธิกร 2. อนุวาธาธิกรเป็นเรื่องเดียวกับอนุวาธาธิกรสามอปัตตาธิกรเป็นเรื่องเดียวกับอปัตตาธิกรก็มีเป็นเรื่องอื่นจากอปัตตาธิกรก็มีอปัตตาธิกรชื่อว่าเป็นเรื่องอื่นจาก อ, อปัตตาธิกรอปัตตาธิกรชื่อว่าเป็นเรื่องอื่นจากอปัตตาธิกรอย่างไร 1. เมทุนธรรมปาราชิกาบัต เป็นเรื่องอื่นจากอธินาทานปาราชิกาบัตมนุษะวิคหะปาราชิกาบัตและอุตริมนุษะธรรมปาราชิกาบัตสองอธินาทานปาราชิกาบัตเป็นเรื่องอื่นจากมนุษะวิคหะปาราชิกาบัตอุตริมนุษะธรรมปาราชิกาบัตและเมทุนธรรมปาราชิกาบัตสามนุษยาสห วิคหะปาราชิกาบัตเป็นเรื่องอื่นจากอุตริมนุษธรรมปาราชิกาบัตเมทุนธรรมปาราชิกาบัตและอธินาทานปาราชิกาบัตสี่อุตริมนุษธรรมปาราชิกาบัตเป็นเรื่องอื่นจากเมทุนธรรมปาราชิกาบัตอธินาทานปาราชิกาบัตและมนุษะวิคหะปาราชิกาบัต อปัตตาธิกรชื่อว่าเป็นเรื่องอื่นจากอปัตตาธิกรอย่างนี้อปัตตาธิกรชื่อว่าเป็นเรื่องเดียวกับอปัตตาธิกรอปัตตาธิกรชื่อว่าเป็นเรื่องเดียวกับอปัตตาธิกรอย่างไร 1. เมทุนธรรมปาราชิกาบัตเป็นเรื่องเดียวกับเมทุนธรรมปาราชิกาบัตส 2. อธินาทานปาราชิกาบัตเป็นเรื่องเดียวกับอธินาทานปาราชิกาบัต 3. มนุสสวิกคะหปาราชิกาบัตเป็นเรื่องเดียวกับมนุสสะวิกราะหปาราชิกาบัตส 4. อุตริมนุสธรรมปาราชิกาบัตเป็นเรื่องเดียวกับอุตริมนุสธรรมปาราชิกาบัตอาัตาทิกรชื่อว่าเป็นเรื่องเดียวกับอาปตาทิกรอย่างนี้กิจจาทิกรเป็นเรื่องเดียวกับกิจจาทิกรอธิกรชื่อว่าเป็นเรื่องเดียวกับอธิกรอย่างนี้